วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองมีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่มีการแสดงธรรมณสถานที่แห่งนี้ปกติการแสดงธรรมที่สถานที่แห่งนี้นั้น จะมีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันหยุดนักขะตะัตฤกิกแล้ววันหยุดชดเชยเริ่มต้นเวลาประมาณบ่ายสองโมง <c oughs> ถึงบ่ายสามโมงหลังจากนั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็จะนำเอาข้าวของมาทำบุญทำทาน มาถวายแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการถามตอบคำถามไปจนถึงเวลาประมาณสามโมงสี่สิบห้านาทีด้วยกันก็จะเป็นก็จะยุติกิจกรรมในการฟังเทศฟังธรรมและการถามตอบคำถามการฟังเทศฟังธรรมนี้ มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจอย่างยิ่งเพราะว่าจะมีผลที่เกิดจากการฟังธรรมอยู่5ประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ทธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ากันอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้ 4. จะทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือปัญญา 5. ะาจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุข นี่คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมแต่จะเกิดหรือไม่นั้นก็อยู่ที่การฟังเทศฟังธรรมว่าฟังแบบไหนถ้าฟังไม่ถูกวิธีประโยชน์เหล่านี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าอยากจะให้ประโยชน์เหล่านี้เกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรม ก็จำเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบความสงบกายเป็นอย่างไรก็คือให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆไม่มีการขยับเขยื่อนไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกระทำอะไรต่างๆทางกายให้นั่งนิ่งๆเฉยๆเรียกว่าสงบทางกาย สงบทางวาจาก็คือไม่มีการพูดคุยกันตั้งอยู่ในความเงียบสงบเรียกว่าเป็นความสงบวาจาการมีความสงบกายสงบวาจานี้เรียกว่ามีศีลคือไม่มีการกระทำอะไรทางกายทางวาจาที่จะทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้แล้ว การสงบทางใจก็คือการระ ง, งับความคิดปรุงแต่งต่างๆในขณะที่ฟังธรรมด้วยการให้มีสติจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่หูแล้วก็ใช้สติดึงเข้าไปในใจเมื่อธรรมะที่มาทางหูได้เข้าไปในใจก็จะทำให้ใจ ได้รับอนิสงส์ต่างๆอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ความสงบทางวาิความสงบทางใจเราเรียกว่าสมาธินั่นเองคือใจไม่นั่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ใจจะคิดอยู่กับเรื่องธรรมะที่กําลังได้ยินได้ฟังอยู่เพียงอย่างเดียวถ้าฟังแบบนี้ก็จะได้ปัญญา เกิจะได้ความเข้า อ, อกเข้าใจในเรื่องของธรรมที่ได้ยินได้ฟังในขณะนั้นถ้าเกิดฟังแล้วไม่สามารถพิจารณาได้แต่ก็ใช้เสียงธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆใจก็จะเข้าสู่ความสงบของสมาธิได้ได้รับความสุขจากการฟังเทศสั่ง นี่คืออนิสงส์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมในแต่ละครั้งเมื่อฟังแล้วก็จะเกิดความสุขใจเกิดกำลังใจเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นมากขึ้นไปตามำลำดับสิ่งที่ชาวพุทธเหล่านี้ควรจะปลูกฝังให้เกิดขึ้นมากๆในเบื้องต้น ก็คือการมีศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรยัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสารณะที่พึ่งทางใจของชาวพุทธเา่าเราต้องมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าว่าท่านทั้งสามนี้ เป็นเรื่องจริงเป็นของจริงมีอัตตาตัวตนจริงพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงไม่ใช่เป็นผู้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการจินตนาการหรือแต่งขึ้นมาเป็นนิยายแต่เป็นความจริงเป็นบุคคลที่ปรากฏในประวัติศาสตร์คือเป็นผู้ที่ได้มาเกิดในโลกนี้แล้วก็ได้ออกบำาเพญปฏิบัติธรรม จนได้ตัดสัรู้พระธรรมความรู้ที่วิเศษความรู้ที่จะทำให้ผู้ที่ได้บรรลุถึงความรู้นี้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้เป็นผู้ที่ตัดสัรู้เกิ บรรลุธรรมค้นพบความจริงอันนี้ได้ด้วยพระ อ, องค์เอง <Yeah. S 1> ความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตนี้เป็นความรู้ที่ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงได้รู้เห็นได้ด้วยตนเอง <Yeah. S 1> ยกเว้นบุคคลที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น <Yeah. S 1> คือเป็นพระโพธิสัตว์นเอง <Yeah. S 1> ผู้ที่ได้บำเพ็ญ <Yeah. S 1> บารมีต่างๆมาอย่างมากมาย <Yeah. S 2> กายกอง จนพร้อมที่จะเข้าถึงอริยสัจสัจธรรมความจริงสี่ประการด้วยกันที่เรียกว่าอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมากเข้าถึงเหตุที่ทำให้รู้เหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากอะไรรู้เหตุของการวีว่ายตายเกิดว่าเกิดจากอะไร แล้วก็รู้เหตุที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดจากอะไรแล้วก็สามารถที่จะสร้างเหตุที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ได้สิ้นสุดลงได้แล้วหลังจากที่ได้ตัดสัุ้พระอริยสัจสีได้ทำจิตใจของพระ อ, องค์เองให้ได้หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงและได้หลุดออกจากกองทุกข์แข่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้เข้าถึงพระนิพพานที่เป็นที่เต็มไปด้วยบรมสุขไม่มีความทุกข์ที่อะไรจะสามารถเข้าไปสู่ใจของผู้ที่ไปถึงนิพพานได้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ทรงนำเอาความรู้ที่ได้ทรงตัดสรรนี มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ดวยการนำเอาคำสอนที่พระ อ, องค์ได้ได้เอาความรู้ที่พระ อ, องค์ได้ส่งค้นพบนี้มาเผยแผ่สั่งสอน เป็นพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งคำสอนต่างๆที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้จากพระคัมภีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกนี้เป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นความจริงทั้งหมดที่จะทำให้ผู้ที่ศึกษาแนะนาเอาไปปฏิบัติ จะสามารถบรรลุถึงการหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้สงได้หลุดพ้นสามารถที่จะํำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้เป็นครับเป็นธรรมที่ผู้ที่ได้ศึกษาแล้วต้องนำเอาไปปฏิบัติไปพิสูจน์ได้ตัวเอง เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ศึกษาเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วต้องนํำมาไปพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะเห็นความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ค่อยๆหมดไปตามลําดับจนหมดสิ้นไปในที่สุด แล้วก็ได้เห็นพบชาติต่างๆที่ได้สะสมมาเป็นเวลาอันยาวนานก็จะค่อยหดไปหดไปหมดไปจนในที่สุดก็จะไม่เหลือไม่มีพบชาติใหม่ที่จะตามมาอีกต่อไปอ น, นี่ก็คือเรื่องศรัทธาเบื้องต้นศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่เป็นมีเป็นบุคคลที่มีที่มีความรู้ความสามารถ เหรือกว่ามนุษย์ทั่วไปไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะเข้าถึงอริยสัจสีได้ด้วยตัวเองไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าอะไรเป็นเหตุที่พาให้สัตว์โลกต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันไม่มีใครรู้ว่าแล้วอะไรเป็นเหตุที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกนั้นสิ้นสุดลงได้ต้องเป็นคนที่มีบา ร, รมี ในระดับของพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะสามารถที่จะเข้าถึงความรู้อันวิเศษนี้ได้และเมื่อเข้าถึงความรู้แล้วก็มีความสามารถที่จะปฏิบัติเอาความรู้นั้นมาปฏิบัติเพื่อมากำจัดสิ่งต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจที่เป็นตัวที่มาพาให้สัตว์โลกต้องมาเวียนว่ายตายเกิด ด้วยการปฏิบัติเบือ้องต้นก็ให้รู้ก่อนว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่เกิดจากอะไรความทุกข์ของใจเกิดจากอะไร อ, องค์ก็สรงค้นพบว่าความทุกข์ของใจการเวียนว่ายตายเกิดของใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากคือการมาตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกยลิ่นลดทศภา ภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นมีภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าต้องการที่จะหยุดความทุกข์ในใจหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของใจก็ต้องละตันหาทั้งสามนี้ให้ได้และเครื่องมือที่จะใช้ในละในการละตันหานี้ก็คือมรร มักที่เป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทางที่จะพาให้ไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะมักนี้จะเป็นผู้ที่จะมาหยุดความอยากต่างๆทั้งสามที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปมักที่พู้เจ้าได้ทรงบำเพ็ญและนำมาเผยแผ่สั่งสอนนี้ก็คือมักแปดเรียกว่า มักที่มีองค์แปดมีองค์แปดประการแต่บางครั้งพระองค์ก็ทรงยอร่อลงมาให้เหลือสามคือต่อยสิกขาสีนสมาธิปัญญาหรือถ้าสั่งสอนศัทธาญาโยมผู้คองเรือนก็สอนให้ปฏิบัติทานสีนภาวนาทั้งสามอย่างนี้เป็นมักเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการ หยุดความอยากต่างๆที่เป็นตัวมาสร้างความทุกข์และเป็นตัวที่หนึ่งให้จิตใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติมรี่มีองค์แปดหรือมรกที่เป็นสระที่ไปตายศิกขาหรือมรกที่เป็นทานศีลภรรมานาได้ก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจได้และยุติ การมาเวียนว่ายตายเกิดได้ <Yeah. S 1> ต้องอยู่ที่การปฏิบัติ <Yeah. S 1> ในการที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนยะยะปฏิปันโนสามีจิ ป, ปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างถูกต้อง <Yeah. S 1> ก็จําเป็นที่จะต้องศึกษา yeah. และการศึกษาก็ต้องศึกษาจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่รู้จริงเห็นจริงก็มีพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงมีตัวแทนที่จะทำหน้าที่แทนพระองค์ผู้ที่จะมาทาหน้าที่แทนพระองค์หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปแล้วก็คือพระธรรมคำสั่งคำสอน ที่ได้ส่งแสดงไว้ให้แก่สัตว์โลกตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันทุกทุกวันนี้พระพุทธเจ้าจะทรงโปรดแสดงธรรมวันละ 3-4 รอบด้วยกันเช่นตอนบ่ายก็จะสแสดงธรรมสั่งสอนศรัทธาญาติโยมคารวะผู้คองเรือนในยามค่ำก็จะทรงแสดงธรรมสั่งสอนพระภิกษุภิกษุณีนักบวช และในยามดึกก็จะทรงแสดงธรรมสั่งสอนพวกเทวดาทั้งหลายและในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินธบาดก็จะทรงเรงยานดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษสอนคนที่พร้อมที่จะบรรลุธรรมแต่อาจจะมีเหตุที่จำเป็นที่จะต้องจากโลกนี้ไปในเวลาอันใกล้ก็ทรงมุ่งไปโปรดบุคคลนั้น เป็นกรณีพิเศษไปธรรมะที่พูะุทธเจ้าได้ทรงแสดงแต่ละครั้งนี้ก็จะมีพระภิกษุที่ติดตามเอามาจดเอามาจำเอามาท่องจำกันไว้แล้วก็ถ่ายทอดให้กับพระภิกษุรูปอื่นตามลำดับพระภิกษุที่มาบวชก็อาศาัยการท่องบทสวดบทพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นคำสอนเป็นเป็นความรู้ที่จะสอนให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำ <Yeah. S 1> แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ผู้เจ้าได้จากโลกนี้ไปแล้ว <Yeah. S 1> ก็มีการสืบทอดด้วยการจดจำคำสอนต่างๆควบคู่ไปกับการปฏิบัติด้วย <Yeah. S 1> เพราะการจดจำเพียงอย่างเดียวถ้าไม่ได้ปฏิบัตินี้ อาจจะอาจจะเกิดการคาดเคลื่อนได้แต่ถ้ามีการจดจำแล้วนำมาไปปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าแล้วธรรมที่ได้จดจำไวน้นี้จะไม่คาดเคลื่อนจากหลักหลักของความเป็นจริงเพราะได้รับการพิสูจน์จากการปฏิบัติแล้วว่าเป็นธรรมที่สามารถที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจ ได้นี่ก็คือที่มาของพระอริยสงสาวกที่เป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขึ้นไปคือขั้นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพาาระอรหันต์บุคคลเหล่านี้ทั้งสี่ขั้นนี้ เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถึงแม้ว่าผู้ที่ได้บรรลุขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สามยังไม่ได้บรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แต่ท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมรู้วิธีที่จะทำให้ ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของท่านนั้นหมดสิ้นไปได้เพียงแต่ว่าท่านยังต้องปฏิบัติต่อไป <a> คือได้ขั้นที่หนึ่งแล้วก็ต้องปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ของขั้นที่สองต่อไปเมื่อกำจัดความทุกข์ของข่านที่สองได้แล้วก็ไปปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข mm ์ hmm. ของขั้นที่สามแล้วเมื่อ mm hmm. ได้กำจัดความทุกข์ของข่านที่สามได้แล้วก็ไป กำจัดความทุกข์ของขั้นที่สี่ต่อไปตามลําดับโดยใช้โดยใช้วิธีการกําจัดความทุกข์เหมือนกันใช้ใช้ทางเครื่องมือคือใจศีรษาศีล ส, สมาธิปัญญาเหมือนกันในการที่จะกําจัดเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเหตุที่ยังพาให้ใจยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอยู่ในตายพบอยู่ จนในที่สุดก็จะสามารถที่จะกำจัดเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเหตุที่พาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัณหาทั้งสามกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้วท่านก็จะบรรลุถึงขั้นพั น, นิพานคกอสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับความสงบ ที่เป็นความสงบแบบยั่งยืนถาวรที่เป็นความสุขแบบบรมมสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดท่านก็เป็นผู้ที่จะสามารถมาทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะคสาส่งคำสอนให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ ดังนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราต่อไปอยู่ในรูปแบบของพระธรรมคาสอนที่ได้ทรงตัดไว้โดยชอบแล้วคือสวากขาโตภะวตาธรรมโมธรรมที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั่งสอนไว้ ที่เป็นความความรู้ที่ถูกต้องแม่แมนยำความรู้ที่จะนำให้ผู้ที่ศึกษาปฏิบัติสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้สามารถหลุดจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นพวกเราจึงยังมีพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเป็นศาสดาสอนพวกเราอยู่ถ้าเราอยากจะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าก็ขอให้เราไปเรียน เรียนจากพระไตรปิฎกได้เลยเช่นพระสูตรต่างๆที่ได้ทรงแสดงไว้และได้มีการบันทึกมาจนถึงปัจจุบันนี้พระสูตรสำคัญที่ถ้าเราอยากจะเรียนรู้วิธีกำจัดความทุกข์นี้ก็มีอยู่ส5ห้าพระสูตรด้วยกันคือพระสูตรอันแรกก็คือธรรมจักกับปวัตนสตุเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกโปรดพระปัญจวคี หลังจากที่แสดงธรรมนีเ้เสร็จแสดงอริยสัจสี่แสดงมรรคแปดแสดงตายรักษณหนึ่งในพระปัญ จ, จวัคคีย์ก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่ห น, นึเป็นพระโสดาบันขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปทำเป็นธรรมดาเช่นร่างกายร่างกายของพวกเรานี้ มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาเมื่อเกิดแล้วก็ย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าไม่ต้องการที่จะทําให้ใจต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายที่เป็นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์นี้เท่านั้นเองด้วยการมองเห็นความจริงว่า อยากหรือไม่อยากก็ไม่สามารถหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้อยากไปอยากดีกว่าเพราะเมื่อไม่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายสามารถอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างสบาย เหมกับไม่มีความแก่ความเจ็บความตายเลยเพราะใจผู้ที่ทุกนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นเอง น, นี่คือพระสูตรสําคัญที่เรียกว่าพระธรรมจกกักรปวัตตนสูตรเป็นพระสูตรเป็นการแสดงธรรมขั้งแรกของพระพุทธเจ้ามีอนุภาพมากเพราะว่าหลังจากแสดงไปเพียงครั้งเดียวก็มีผู้ฟังหนึ่งในห้าคนนี้บรรลุเป็นพระ อาลยบุคคลขึ้นมาเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ทรงสแสดงอีกพ ส, สูตรหนึ่งเรียกว่าอนัตตลกนณสสูตรทร ง, ทร ง, ทรงสแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นร่างกายนี้เป็นของที่ไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสีดินน้ำนวงไฟพอทรงสแสดงจบพระ คนจะวาขีทั้งห้ารูปก็บรรลุปเป็นพ้าอารหรันตสาวกขึ้นมาเลยใพระสูตรที่สำคัญอันที่สองก็คืออนัตตลักขณาสูตรพระสูตรอันที่สามก็คืออาทิตปริยาญาสูตรอันนี้ก็เป็นการแสดงโบยพวกที่เป็นนักบวชนับถือในรัฐที่อื่นทรงแสดงรู้สึกว่าพวกนี้เขาจะบูชาไฟเป็นพระเจ้า ก็ส่งสอนว่าให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นไฟที่เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความร้อนให้กับใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆเวลาที่เราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนี้ใจของเราจะร้อนขึ้นมาทันทีร้อนขึ้นมาด้วยความด้วยความลโลภโลภะร้อนขึ้นมาด้วยความโกรธร้อนขึ้นมาด้วยความหลง ถ้าเราไม่อยากจะให้ใจเราทุกข์ร้อนกับรูปเสียงกดลดิ่นรสผดเถพะพระเราก็ต้องปล่อยวางอย่าไปยินดียินไล่กับรูปเสียงกดลดิ่นรสผดเถาพระเพราะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้รูปเสียงกดลิ่นรสผดเถาพระนี้ให้กับให้ความสุขกับเราได้เพียงอย่างเดียวเพราะรูปเสียงกดลิ่นรสมันก็เป็นของไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จากดีกลายเป็นรูปเสียงกิจนรสที่ไม่ดีก็ได้ถ้าเราไปยึดไปติดอยากให้มันดีพอมันไม่ดีก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจขึ้นมามผู้ที่ฟัง<ม>รู้สึกจะมีห้าร้อยรูปด้วยกันหลังจากฟังพระสูตรอันนี้แล้วก็บรรลุปเป็นผ้าอันลานขึ้นมาพร้อมๆกันเลยทีเดียวห้าร้อยรูปด้วยกน<ม>ันนี่คือพระสูตรที่สำคัญสาสามพระสูตรแรกแพระสูตร อันที่สี่ที่สาคัญก็คือทรงสอนวิธีการปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิและปัญญาในในพระสูตรที่มีชื่อว่าสติปฐานสูตรสติปฐานสูตรนี้จะสอนให้รู้จักวิธีเจริญสติเพื่อที่จะได้ใช้สติกำกับใจเวลานั่งสมาธิให้ใจรวมเข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ความสงบของสมาธิของฌานเพื่อที่จะได้ให้ใจมีอุเบกขานิ่งเฉยวางเฉยได้แล้วหลังจากนั้นก็ให้ออกมาจากสมาธิเพื่อไปศึกษาความจริงของร่างกายของเวทนาและของจิตว่าเป็นอย่างไรว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนั้นปาหรือเปล่าถ้าพิศึกษาพิจารณ า, าก็จะเห็นว่าร่างกายก็ไม่มีตัวตนอป็นอนจะ ไม่เป็นอนัตตาเป็นร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วข่าวมีเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตา ย, า ย, ต ย, าตายถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไปยึดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราใจก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็ปล่อยวางวางเฉยปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปใจก็ไม่ทุกข์กับมัน เช่นเดียวกับเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงเวทนาก็มีสมชนิดด้วยกันมีสุขเวทนาทุกขเวทนามีไม่สุขไม่ทุกขเวทนาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกับดินฟ้าอากาศมีฝนตกมีแดดออกมีพายุมีน้าท่วมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ถ้าไปยึดไปติดกับเวทนาอยากให้มีแต่สุ ข, ขเวทนา ไม่อยากให้มีทุกขเวทนาใจก็จะต้องทุกขขึ้นมาเวลาที่เกิดเกิดเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาหรือเวลาที่ไม่มีสุ ข, ขเวทนาขึ้นมาแต่ถ้าใจวางเฉยด้วยอุบเบกขาพิจารณาว่าเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้ถ้าไม่อยากจะทุกขก็ปล่อยมันปรากฏขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยของมัน ถ้ามีเหตุมีปัจจัยทําให้เกิดสุขเวทนาก็สักแต่ว่ารู้ไปถ้ามีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ทําให้ก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปให้รู้เฉยเฉยไปอย่าไปพยายามไปเปลี่ยนแปลงไปแก้มันเพราะแก้ไม่ได้<ม>พอแก้ไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดจากภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหานี่เช่นเดียวกับอารมณ์ของจิต จิตก็มีอารมณ์แปลกปูนไปเรื่อยมีวนบางวันก็มีอารมณ์ดีบางวันก็มีอารมณ์เสียบางวันก็มีอารมณ์ที่สงบบางวันก็มีอารมณ์ที่เครียดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านบางวันก็มีอารมณ์เสืมเศร้าอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกับเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่แปลกปวนเป็นอนัตตาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่ไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมบังคับได้ ถ้าเข้าใจธรรมชาติของของใจของของจิตว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่เที่ยงอยู่ยังแปรปรวนอยู่ควบคุมบังคับไม่ได้ให้รู้เฉยๆไปเวลาจิตเป็นอย่างไรก็ให้รู้เฉยๆไปเวลาจิตสงบก็ให้รู้ว่าสงบเวลาไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบแต่ไปอยากให้มันสงบหรืออยากไปอยากให้มันไม่สงบปล่อยให้มันสงบไปไม่สงบไปตามธรรมชาติของมัน ตามเหตุตามปัจจัยใจก็จะไม่ทุกกับมันนี่คือการเจริญขั้นปัญญาในสติปัฏฐานสูตสติปัฏฐานสูตรนี้สอนสามขั้นด้วยกันขั้นแรกก็ให้เจริญวิธีเจริญสติให้ให้มีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นให้อยู่กับร่างกายในสติปัฏฐานจะใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติกายกตาสติ คือให้เฝ้าดูร่างกายตลอดทั้งวันตั้งแต่ตืน่นขึ้นมาจนหลับให้ผูกใจไว้อยู่กับร่างกายอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆเพรเวลาลอยไปกับความคิดแล้วใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สงบใจจะไม่มีอุเบกขาใจจะมีความรักชังกลัวหลงคอยมาครอบงำจิตใจอยู่แต่ถ้ามีสติคอยกํากับใจให้อยู่กับร่างกายไปไม่ให้คิด ปรงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ใจก็จะว่างใจเย็นใจก็จะเริ่มมีอุเบกขาขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะให้ใจสงบอย่างเต็มที่มีอุเบกขาอย่างเต็มที่ก็ต้องนั่งสมาธินั่งหลับตาเวลานั่งนั่งหลับตาก็ให้ใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เป็นที่จเจริญสติต่อเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทําอะไรก็ให้ ปลูกใจไว้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาไม่ให้ใจไปที่ไหนไม่ให้ไปที่อื่นแล้วพอเวลามานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งสงบอย่างเต็มที่ก็ต้องใช้การดูลมหายใจเข้าออกด้วยการดูลมที่ปลายจมูกโดยที่ไม่ต้องการควบคุมไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจลึกหรือหายใจสั้นเวลาใช้ดูลมหายใจนี้ให้ดูเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉย รู้ว่าตอนนี้ลมกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกที่ปลายจมูกเพราะที่ปลายจมูกนี้จะเป็นจุดที่เราจะสามารถสัมผัสกับลมที่เข้าออกได้ดูที่จุดที่สัมผัสของลมเข้าออกอยู่ที่ปลายจมูกดูที่จุดนั้นจุดเดียวอย่าเคลื่อนไปที่อื่นแล้วก็ไม่ต้องไปยควบคุมบังคับลมลมจะเข้าก็รู้ว่าเข้าลมจะออกก็รู้ว่าออกลมจะสั้นก็รู้ว่าสั้นลมจะยาวก็รู้ว่ายาว ลมจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมจะหยากก็รู้ว่าหยากลมหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไม่ต้องเคลื่อนย้ายจุดที่ดูไปไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าเมื่อเราไม่มีลมหายใจแล้วเราจะตายหรือเปล่าความจริงลมยังมีอยู่แต่มันละเอียดจนไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ขอให้รับรู้อยู่ที่จุดเดิมอย่าเคลื่อนย้ายจุดที่เราเข้าอยู่ เพราะเป็นจุดที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้นั่นเองถ้าเราดูที่จุดเดิมต่อไปเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่อบเข้าสู่สมาธิบางทีก็เป็นขั้นแรกก็จะเป็นคันิกะสมาธิสงบชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาแต่ความสงบนั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกมหศัศจรรย์ใจเพราะเป็นความ เป็นปรากฏการณ์ที่ให้ความสุขอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจถึงแม้จะเป็นชั่วขณะแค่งูแลบลิ้นหรือฟ้าแลบก็ตามสมาธิแบบนี้เป็นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเพราะว่ากำลังสติยังมีไม่มากพอที่จะทำให้จิตสงบได้นานพอสงบได้แวบหนึ่งก็ถูกกำลังของกิเลส คือการมะฉันทะความความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสดึงใจให้ออกมาจากสมาธิเพื่อไปหารูปเสียงกลิ่นรสนรกนั่นเองแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าการมีสติควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้นี้ทำให้เราได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลเสพเราก็จะพยายามที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นจเรียนสติให้มากขึ้น ผูกใจไว้อยู่กับร่างกายให้มั่นขึ้นให้นานขึ้นไม่ให้เผลอไม่ให้ลอยไปที่อื่นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นต่อไปเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมลงและตั้งอยู่ได้นานขึ้นถ้าจิตสงบแล้วตั้งได้นานเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิมีสองขั้นขั้นแรกเรียกว่าขั น, นิกาสมาธิสงบช่วเดียวเดียวชั่วหนึ่งขณะ แล้วหลังจากนั้นพอเราฝึกสติได้มากขึ้นพอจิตรวมต่อไปมันก็จะสงบได้นานขึ้นการสงบได้นานเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิ mm hmm. เวลาเราอยู่ในสมาธิเราก็เหมือนกับได้ไปถึงพระนิพพานชั่วคราวเพราะตอนนั้นกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆก็ไม่สามารถทำงานได้เพราะถูกกำลังของสติหรือสมาธินี้กดเอาไว้ ใจก็เลยเหมือนอยู่ในนิพพานแต่เป็นนิพพานชั่วคราวเพราะว่ากำลังของสติไม่ช้าก็เร็วก็จะอ่อนลงพ อ, อกำลังของสติอ่อนลงปั๊บกำลังของกิเลสคือการมื่ฉันทะความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆก็จะมีกำลังมากขึ้นสามารถดึงใจให้ออกจากสมาธิแล้วออกมาทางตาหูจมูกิืนกายต่อไป เพื่อจะได้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพภาพมาเสกต่อไปผู้ปฏิบัติถ้าต้องการที่จะกให้จิตกลับเข้าสมาธิพอพอออกจากสมาธิมาก็ต้องเจริญสติต่อคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆเพราะความคิดนี้จะเป็นตัวที่จะดึงใจให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสพอคิดถึงรูปก็อยากจะดูรูปพอคิดถึงเสียงก็อยากจะได้ยินเสียงพอคิดถึงกลิ่นก็อยากจะได้ดมกลิ่น แต่ถ้าเราใช้สติคอยสกัดกั้นความคิดอยู่เรื่อยๆโอกาสที่จะทําให้ความอยากในรูปเสียงกินน้อก็จะมีน้อยลงไปและเราก็จะสามารถจับเข้าไปนั่งสมาธิเข้าไปสู่ความสงบได้ใหม่อยมีคือขั้นตอนของการฝึกสติและสมาธิเพื่อให้ใจมีกําลังอุเบกขาความนิ่งเฉยให้มากไปให้นานที่สุดเพราะอุเบกขานี่จะเป็นผู้ที่จะมาต่อสู้กับ ความอยากได้คือการมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้ถ้าเราไม่มีอุเบกขาใจไม่มีอุเบกขาเวลาเจอกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณหานี้จะสู้มันไม่ได้ถึงแม้จะมีปัญญารู้ว่ากามาตัณหาเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาสู้กับภาวะกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา เราก็จะไม่สามารถหยุดมันได้เมื่อไม่หยุดมันความทุกข์ใจก็จะต้องเกิดขึ้นมาใน ใ, นใจทันทีแต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆมีอุเบกขามีกำลังมากเวลาที่เราเจอกับความทุกข์แล้วเราพิจารณาไ ด, ด้ด้วยปัญญาว่าเกิดจากปัญหาความอยากเราก็สามารถใช้อุเบกขานี้หยุดความอยากได้ทันทีพอหยุดความอยากได้ปับ๊บความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไป เช่นเวลานั่งแล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็เกิดความทุกข์ทรมานใจจากความเจ็บปวดพอเราใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเกิดจากความอยากให้ความเจ็บปวดหายไปเป็นวิภาวะตัณหาถ้าเราไม่อยากจะให้ใจทุกข์กับการเจ็บปวดของร่างกายแล้วก็ต้องเลิกความอยากให้ความทุกข์หายไปอย่าไปอยากให้ความทุกข์ความเจ็บหายไปปล่อยให้ความเจ็บมันอยู่ของมันไปมันจะเจ็บเท่าไหนเราก็ให้รู้เฉยๆไป ถ้าเรามีอุเบกขาอยากสมาธิเราก็จะรู้เฉยๆได้แล้วเราก็จะอยู่ความเจ็บได้อย่างไม่รู้สึกทรมานใจแต่อย่างใดเพราะความทุกข์ไม่เกิดเพราะความอยากที่จะให้ความเจ็บหายไปนั้นมันไม่มีเพราะเราใช้อุเบกขาหยุดมันใช้ปัญญาหยุดมันอันนี้ก็คือเรื่องของประสูติข้อประสูตรที่สี่ที่สำคัญก็คือสติปัญฐาสูตรเนย เป็นพสูตรที่สำคัญที่เราควรจะศึกษาแล้วอีกพสูรอีกอันหนึ่งที่เราควรจะรู้จักก็คื อ, อมงคลละสูตรวิธีปฏิบัติ38ขั้นตอนเพื่อไปสู่สการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นการสอนแบบละเอียดเริ่มต้นตั้งแต่การคบค้าสมาคมกับคนอาศิวนาจจบาลานางบันดิตานันจะาเาวนาอย่าคบคนโง อ, อย่าคบคนไม่ดี ให้คบคนดีคบคนฉลาดเพราะคนโง่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราครบกับคนฉลาดแล้วเขาจะพาให้เราออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดคนฉลาดในที่นี้ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเป็นคนดีคนฉลาดเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้เรียนรู้วิธีกาจัดความทุกข์ต่าง เราจะได้เรียนรู้วิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเราไปคบกับคนโง่คนไม่ฉลาดคนไม่ดีเขาก็จะพาให้เราไปสร้างเหตุคือตัณหาความอยากให้เราไปเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภัแล้วเราพาให้เราไปติดอยู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดมีสามสิบแปดขั้นตอนในกันวิธีที่จะพาให้เราไปถึงพระนิพพานได้ อย่างละเอียดเริ่มต้นตันน้งแต่การไม่คบคนรู้จักคบคนแล้วอะไรต่างๆมีสามสิบแปดข้อใกันเรียกวมงคลสามสิบแปดนี่เป็นความรู้ของที่พระเจ้าทรงนํามามาสั่งสอนที่ชาวพุทธเราควรที่จะศึกษาถ้าจะเป็นชาวพุทธแท้นี่ต้องทําหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่แรกก็คือต้องศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความมีศรัทธาความเชื่อ ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นของจริงคําสอนนี้เป็นของจริงและผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนบรรลุหลุดพน้นจากกองทุกข์เป็นพระอริยสงสาวกก็เป็นของจริงถ้าเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะทําให้เราก้าที่จะศึกษามีความมั่นใจที่จะศึกษาที่จะเรียนรู้วิธีที่เราจะเอาไปปฏิบัติเพื่อกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ เมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ต้องทําหน้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหน้าที่ของชาวพุทธเราว่าขั้นต้นให้เราศึกษาคําสั่งคํงาสอนต่างๆวิธีกําจัดความทุกข์ก็ให้ศึกษาเรื่องมรรคนี่มรรคมีอะไรบ้างมรรโดยละเอียดก็มีมรรแปถ้ายอ่อลงมาก็เหลือศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นค า, ารวะก็เป็นทางศีลภาวนาทางศีลภาวนาก็คือทางศีลสมาธิปัญญานี่ เพิ่มการทำทานอีกข้อหนึ่งทำไมคารวะถึงต้องทำทานเพราะว่าคารวะยังมีเงินมีทองอยู่ยังเอาเงินทองไปสร้างพบสร้างชาติสร้างความทุกข์ให้กับตนเองโดยไม่รู้สึกตัวจึงต้องสอนวิธีใช้เงินเพื่อไม่ให้สร้างความทุกข์ให้เอาเงินนี้ไปใช้เพื่อดับความทุกข์เพื่อดับการเวียนว่ายตายเกิดลดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการเอาไปทำบุญทำทานแทนที่จะเอาเงินไปตอบสนองกิเลสตัณหาความโลภความอยากที่เป็นเหตุที่พาให้ จิตใจตั้งใบเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็ให้เอาไปใช้ในทางอื่นเอาไปใช้ในการหยุดความโลภความอยากเช่นมีเงินอยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินที่อยากจะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทาทานแทนพอเอาเงินไปทำบุญทาทานแทนความอยากไปเที่ยวมันก็จะลดน้อยลงไปเพราะมันไม่ได้ตอบสนองตามความที่มันต้องการอยากจะเอาเงินไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เอาไปทาบุญทาทานแทน ต่อไปความอยากที่จะหาความสุขจากรูกเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะหายไปมันก็จะทาให้พบชาติที่เหตุที่สร้างให้มีพบชาตินั้นมนุษย์น้อยถอยลงไปอันนี้ก็คือสำหรับผู้ที่ยังคลองเรือนอยู่แต่ถ้าสำหรับนักบวชนี้นักบวชเขาได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วเขาเห็นโทษของการมีเงินมีทองว่าไม่ได้มีคุณประโยชน์ต่อาการที่จะ ช่วยให้ลดการเวียนว่ายตายเกิดลดความทุกข์ให้น้อยลงไปแต่กลับเป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ที่มีในใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปนั้นเวลาเป็นนักบวชนี้นักบวชจะไม่มีเงินมีทองจะไม่ใช้เงินใช้ทองจะไม่ใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องกําจัดความทุกข์ใจซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีกําจัดความทุกข์ใจที่ถูกต้องเพราะแทนที่จะกําจัดความทุกข์ใจให้หมดไปกลับมาสร้างความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้น พอเมื่อใช้เงินใช้ทองมาดับความไม่สบายใจแต่พอเวลาเงินทองหมดนี่มันก็จะไม่สามารถใช้เงินทองมาดับได้ความทุกข์ใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกอยังไม่ใช่วิธีการดับความทุกข์ใจยุติการวีนล่ายตายเกิดต้องเลิกใช้เงินทองถ้าอยากจะใช้ในการกําจัดความทุกข์ก็เอาไปทําบุญทำทานเราจะทําให้ความอยากที่จะใช้เงินเพื่อ ดับความทุกข์ใจนี้น้อยลงไปหรือหมดสิ้นไปได้เมื่อไม่ต้องใช้เงินใช้ทองดับความทุกข์ใจก็สามารถที่จะไปบวชได้ไปปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้ศีล ส, สมาธินี้ก็ย่อมาจากมรรคแปดเช่นศีลคืออะไรศีลก็คือสัมมากมัรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิว อ, อ น, นี่เรียวกว่าเป็นเป็นการกระทำที่ถูกต้องในมรรคแปด มังฝาดมีให้มีสัมมากัมมันโตก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่นักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่ดื่มสุรายาเมาเรียว่าสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาก็คือไม่ให้พูดปดไม่ให้พูดคำหยาไม่พูดส่อเสียดไม่ให้พูดเพ้อเจ้ออันนี้ก็เป็นสัมมาวาจาแล้วก็มีสัมมาอาชีวก็มีอาชีพที่ที่ชอบที่ที่ควรที่ถูกคืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ไปทำอาชีพที่มีการฆ่าฆ่าผู้อื่นเป็นเป็นการเลี้ยงชีพเป็นฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่เป็นอาชีพที่ควรจะทำเพราะไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้แล้วความทุกข์นั้นมันจะกลับมาหาเราต่อไปเพราะมันจะเป็นวิบากเป็นผลเป็นเป็นผลที่จะพาให้เราต้องไปติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในอบายจออกจากจะออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ถ้ายังมีการกระทำบาปอยู่ เรียกว่าศีลรักษาศีลแล้วก็สมาธิก็มีสมส่วนของมรรคแก็คือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายาโมก็คือความเพียรชอบความเพียรชอบนี่คือเพียรอะไรเพียรเจริญสตินี่เองให้หมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มีสัมมาสติคือไม่ให้ใจเผลอไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบัน และเวลาไปนั่งสมาธิก็ใช้การดูลมหายใจเขาเา้าออกคอสกัดกั้นความคิดไม่คิดพอไม่มีความคิดอยู่ใจก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาเป็นเป็นคณิกะสมาธิหรือเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมา <c oughs> ส่วนปัญญาก็คือองค์ประกอบของมรรคแปดสององค์ก็คือส ม, มาธิทฐิกับสัมมาสังกโปอันนี้เป็น องค์ประกอบของปัญญาปัญญาก็คือความรู้ความเห็นที่ถูกตั้งนั่นเองสามาทิติเช่นเห็นเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกเกิดจากตัณหาความอยากเห็นเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากตัณหาต่างๆถ้าอยากจะยุติความทุกข์ยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องละตัณหาทั้งสาละกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ด้วยการเจริญมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดนี่ส่วนสัมมาสังกรปรความคิดที่ถูกต้องก็คิดคิดที่จะกําจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปคิดที่จะไปคิดที่จะรักษาศีลคิดที่จะปฏิบททัติทางคิดที่จะเจริญสตินั่งสมาธิคิดที่จ ะ, จะเจริญปัญญาพิจารณาอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาเป็นต้นอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกรปรเป็นองค์ประกอบของปัญญา เนี่ยคือคือมรรคที่เราจะต้องเจริญกันเครื่องเป็นเครื่องมือที่จะพาให้เราได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้ก็คือเรื่องของศรัท ธ, ธาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีมีศรัท ธ, ธาแล้วมีเชื่อมั่นแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้มีคนมีประโยชน์อย่างแท้จริงปฏิบัติตามได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ มันเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามทำทำตามคําสอนคําสอนขั้นที่หนึ่งก็สอนให้เราศึกษาให้รู้อย่างถ่องแท้วิธีของการปฏิบัติเพื่อดุดพ้นจากความทุกข์นี้ต้องปฏิบัติอะไรบ้างถ้าเราเป็นคาราวาท่านก็สอนให้ปฏิบัติทานทําบุญทําทานรักษาศีลห้าไว้ก่อนแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิตามโอกาสตามเวลาพอสมควรเบื้องต้นก็ปฏิบัติจากจากน้อยไปหามากกว่าอาจจะ ปฏิบัติได้ไม่มากเพราะว่ายัางมีภารกิจการงานทำมาหากินอยู่ซึ่งบางครั้งบางคราวการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เลยก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทํามาค้าขายก็ได้ก็ให้รักษาไปเท่าที่จะรักษาได้และอาจจะมารักษาให้มันได้เต็มที่ในวันวันใดวันหนึ่งของอาทิตย์หนึ่งก็คือในวันที่เราหยุดทํางานเช่นวันพระนี้สมัยก่อนเป็นวันหยุดทํางานเราไม่ไปทํางานกันในวันพระ เราจะวันพระนี้เป็นวันที่เราจะมาปฏิบัติธรรมกันอย่างครบครบรูปแบบคือรักษาศีลห้าก็ให้รักษาศีลห้าให้ครบทั้ง5้าข้อหรือถ้ารักษาศีลแปก็รักษาศีลแปให้ครบทั้ง5้าข้อแล้วแต่กําลังของผู้ปฏิบัติว่าจะมีกําลังมากกําลังน้อยแล้วก็มาให้เวลากับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบแล้วก็เอาเวลามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้ รู้ถึงเรื่องราวต่างๆที่ควรที่จะรู้เพื่อที่จะนํามาใช้ในการกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปเราต้องมีวันพระวันปฏิบัติธรรมอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อที่เราจะได้ได้มีการเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติเครื่องมือคือมรรคจะได้มีกําลังมากขึ้นถ้าเราไม่มีวันพระนี้เราจะไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติได้มากเพราะเราจะต้องเสียหมดเวลาไปกับการ ทำงานอย่างอื่นหรือเหมือนเวลากับการไปหาความสุขทางโลกคือหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะที่ไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องมีวันหยุดทํางานหยุดห า, หาความสุขทางโลกแล้วเอาวันหยุดนี้มาให้กับการหาความสุขทางธรรมมาสร้างมรรคมาสร้างศีลสมาธิปัญญาหรือมาสร้าง ท, ทานศีลภาวนาด้วยการปฏิบัติ แล้วถ้าเราทําอย่างนี้แล้วเราก็จะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติว่าทําให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเรานี้ลดน้อยถอยลงไปววเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัตินี้สังเกตดูรู้สึกว่าใจจะรุ่มร้อนมากกว่าเวลาที่เราได้ปฏิบัตินพอเราได้ปฏิบัติแล้วความรุ่มร้อนความทุกข์ใจจะลดน้อยถอยลงไปความสุขใจความยินใจความสบายใจมีเพิ่มขึ้นมามากพอเราได้เห็นผลจากการปฏิบัติมันก็อาจจะทําให้เรา มีความศรัทธามีความยินดีที่จะปฏิบัต I i ิเพิ่มมากขึ้นตางเวลาอาจจะหาวันหยุดแทนที่จะยอยู่แต่ที่ละหวันแล้วก็เพิ่มเป็น2วันแล้วพอเพิ่มการปฏิบัติเพิ่มเป็น2เท่าความสุขก็จะมีเพิ่มขึ้ น, นมาสองเท่าความทุกข์ที่เคยมีก็จะลดน้อยลงไปสองเท่าพอเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติที่ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์ใจน้อยลงเราก็อยากจะปฏิบัต I i ิเพิ่มมากขึ้นไป ต่อไปเราก็จะลดการทำมาหากินให้น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่จําเป็นต่อการเลี้ยงดูร่างกายเราก็มีแค่ปัจจัย4เท่านั้นเองเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินมีทางระดับมหาเศรษฐีถึงจะมาเลี้ยงร่างกายของเราได้แม้แต่ขอทานเขายัางเลี้ยงร่างกายของเขาได้เลยทําไมเราจะต้องเอาเวลาอันมีค่าของเราให้หมดไปกับการหาเงินหาทางเพื่อมาเลี้ยงร่างกายในเมื่อเราสามารถเลี้ยงร่างกายแบบ ขอทานได้อยู่แบบขอทานก็คืออยู่แบบมากน้อยสันโดษใช้น้อยๆกินน้อยๆเอาเท่าที่จําเป็นพอเลี้ยงป่ากเลี้ยงท้องได้ก็พอถ้าเราใช้น้อยกินน้อยเราก็ไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะมีเวลามากให้กับการปฏิบัติธรรมเพราะเราสามารถลดการทํางานให้น้อยลงได้เมื่อเราทํางานน้อยลงเราก็จะมีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปเราก็จะพร้อมที่จะไปอยู่แบบนักบวชได้นักบวชนี้เขาก็อยู่แบบขอทาน mm hmm. เขาอยู่แบบนักน้อยสันโดษเขาเอาเวลาส่วนใหญ่มาให้กับการปฏิบัติธรรมมาให้กับการสร้างมรรคคือสร้างศีล ส, สมาธิปัญญา mm hmm. เพื่อที่จะได้เอาศีลสมาธิปัญญานี้มากําจัดตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างการเวียนว่ายตายเกิดให้กับใจนี้ให้มันหมดสิ้นไป เนื่องปัจจัยสี่เขาก็อยู่แบบแบบอยู่แบบขอทานพระในสมัยพระพุทธกาลนี่ท่านอยู่แบบขอทานอาหารท่านก็ไปบินธบาตมาเลี้ยงชีพแล้วก็ผ้าจีวรเครื่องนุ่งห่มท่านก็ไปเก็บผ้าผ้าห่อศพที่ทิ้งไว้ในป่าชา้อาอามสซักเ อ, อมย้อมเอามาตัดมาเย็บไม่ต้องใช้เงินทองอยู่แบบขอทานยารักษาโรค ก, ก็ใช้น้ำปัสสาวะดองผลไม้เป็นยาดอง เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกด็ดื่มยาดองปัสวะนี้ที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามคนนะอยู่ตามป่าอยู่ตามถ้มตามเงื้อผาพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไม่มีค่าใช้ใจ่ายจึงไม่ต้องมาเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองมีเวลาให้กับการปฏิบัติมีเวลาให้กับการศึกษาอย่างเต็มที่ถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วก็จะมีกาลังที่จะไปละ ตันหาความอยากต่างๆได้เป้าหมายหลักของการสร้างกําลังให้กับใจก็คือการไปเจริญสตินั่งสมาธิเพราะเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิจิตก็จะมีอุเบกขาจิตจะวางเฉยคําว่าอุเบกขานี้คือใจปราศจากความรักชังกลัวหลงอะไรจะมาสัมผัสมากระทบก็จะเฉยเฉยไม่ได้ยินดีย้ายไม่ได้รักไม่ได้ชงังไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้หลงไปกับอะไร หนึ่งถ้าเวลาฝึกสตินั่งสมาธิมากๆใจจะเป็นอย่างนั้นแล้วพอออกจากสมาธิมาถึงแม้จะมีกิเลสโผล่ขึ้นมามีความอยากโผล่ขึ้นมาใจก็สามารถใช้ปัญญามาพิจารณาแยกแยะได้ว่าอะไรที่กําลังทําให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอพิจารณาเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากเกิดจากกิเลสตัณหาก็ใช้อุเบกขาหนีหยุดกิเลสตัณหาได้เลยพอหยุดกิเลสตัณหาไม่ทําตามกิเลสตัณหา ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นก็จะหายไปใจก็จะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะว่ามีมีอุเบกขาทำใจให้ให้นิ่งให้เฉยได้ใจที่มีอุเบกขานี้จะเป็นใจที่สงบมีความสุขในตัวของมันเองนี่คือเรื่องของการเจริญเจริญมากเพื่อกำจัดตัญหาความอยากต่างๆด้วย ด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิให้เกิดอุเบกขาพอได้อุเบกขาเวลาเจอความทุกข์ก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกข์เกิดจากอะไรเมื่อปัญญาบอกว่าทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากก็หยุดความอยากนั้นทา น, นั้นเองโดยความอยากไม่แก่เวลาทุกข์กับความแก่ก็ให้หยุดความอยากที่อยากไม่แก่ลงไปพอความอยากไม่แก่หายไปเราก็จะอยู่กับความทุกข์ได้ เวลาเจอความความเจ็บถ้าพิจารณาก็เห็นว่าทุกข์เพราะอยากให้ความเจ็บหายไปแต่มันไม่หายจะทายังไงเราก็ต้องอยู่กับความเจ็บไปก็หยุดความอยากไปอย่าไปอยากให้มันหายเมื่อมันไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้าเรามีอเคคุเบกขาเราก็จะอยู่กับมันได้เราก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่ทุกข์กับมันได้เช่นเดียวกับความตายเวลาเจอความตายแล้วก็พิจารณาว่าเราก็ห้ามมันไม่ได้เมื่อถึงเวลาร่างกายมันจะตายไม่มีใครห้ามได้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใคร แม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องตายเช่นเดียวกันแตใจของพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายเพราะท่านมีปัญญาท่านรู้ว่าร่างกายเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนเป็นภาวะปรากฏการทางธรรมชาติเป็นดินน้ำลมไฟเป็นการรวมตัวของดินน้ำลมไฟแล้วเมื่อถึงเวลาตายก็เป็นเวลาที่ดินน้ำลมไฟในร่างกายจะแยกทางกันไป ใจผู้ที่มาครอบครองถ้ามีอุเบกขามีปัญญาก็จะวางเฉยได้ไม่ไปมีความอยากไม่ตายพอไม่มีความอยากไม่ตายความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นนี่นี่แหละคือมรรคคือการปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะมาใช้ในการดับความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆพอมีมรรคครบองค์ทั้ง8องค์มีกาลังพอก็จะสามารถ พิจารณาเห็นว่าความทุกข์ทางใจนี้เกิดจากตัณหาทั้งสามนี้เกิดจากการมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอพอละพอรู้ว่าเกิดจากการมตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วพอจิตมีอุเบกขาจิตก็สามารถหยุดความอยากได้ไม่อยากไม่อยากกับอะไรได้ไม่อยากกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่อยากกับความเป็นความตายได้ไม่อยากกับอะไรทั้งหมดได้ ่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามปรากฏการณ์ของเขาตามเหตุตามปัจจัยของเขาเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปใจไม่เดือดร้อนใจอยู่เฉยๆนู่นเฉยๆไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีอะไรที่จะมาดึงใจงให้กลับไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไป mm. นี่คือเรื่องของการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันเราจะได้เรียนรู้นะ กิมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเบื้องต้นเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมีความความยินดีที่จะศึกษาที่จะทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ศึกษาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลังจากที่เราได้หลุดพ้นแล้วเราก็จะสามารถมาทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปได้ด้วยการเอาความรู้ที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติมานี่มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไป ผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วสามารถนํำมาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของศาสนาเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเรื่องของประโยชน์จากการฟังเทศฟังธรรมและเรื่องของการมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะนําเราไปสู่การศึกษาสู่การปฏิบัติสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา อยาขออนุโมทนาให้พอรอยาทาวาริวาหาปูราปาริปุเรนตศสาลังเอวามีวาอิตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกบปติอิีชีตังปฏทตังตุมหังคิปวะเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพิติยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีลิสนิจจังวุฒาปัยิโน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 เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมมาหน้ากุดจากทางเฟ e บ o o กพระอาจารย์สุชาติสาม้อยสี่สิบแปดท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สา4ร้อยเจ็ดสิบสี่ YouTube ดร V 38, 11, 3สามสิบปดวิทยุออนไลน์สิบเอ็ด o u ับ3์สามหน้ากุฏหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด รวมทั้งหมด972ท่านค่ะถ้ามีคำถามก็ถามเลยคาถามจากผู้รับฟังนากรค่ะถ้าพูดถึงพระที่ท่านออกกำลังกายวิ่งพื้นกระโดดเชือกถ้าพูดถึงท่านจะบาปไหมคะเขาไปพูดถึงท่านทำไมนะ ไ, ม, ไ ม, ม่ยิ่งเขาทำไมไม่ใช่เรื่องของเราดูตัวเราดีกว่าถ้าจะว่าใครก็ว่าตัวเราดีกว่า ว่าตัวเราเราจะได้แก้ไขดัดแปลงได้ราะว่าคนอื่นเราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปดูได้รับรู้ได้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างดีไม่ดียงนี้คิดได้ถ้าเป็นตัวอย่างไม่ดีก็อย่าไปทำตามถ้าเป็นตัวอย่างที่ดีก็ทำตามยางนี้ได้อยู่ถ้าออกกำลังกายวิตพื้นกระโดดเชือกเป็นความเพียรจะถูกไหมคะเป็นการออกกำลังกาย ร่างกายของพระหรือร่างกายของพิยมก็เหมือนกันก็ต้องมีการมีการออกกําลังกายบ้างมีการยืดเส้นยืดสายบ้างเพียงแต่ว่าการกระทําของพระนี้ควรจะทาในที่มันไม่ประเจดิดประเจิดเกินไม่ไม่ทำต่อหน้าสาธารณชนนะเพราะพระเป็นบุคคลที่สาธารณะนเขาให้ความเคารพเขาก็หวังที่จะเห็นกิริยาการที่สวยงามเป็นหลัก เวลาที่ต้องออกกําลังกายหรือต้องทําอะไรส่วนตัวนี่ก็ควรจะหาที่ที่ไม่ไปให้คนอื่นเขามารับรู้ด้วยถ้าดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วพูดเสียงดังจะบาปไหมคะถ้าหูหนวกก็ต้องพูดเสียงดังไม่บาปแต่อย่าพูดด้วยความโกรธด้วยความโกรธด้วยความโมโหหรือด้วยความ เหมือนกับเป็นการการดา่าเป็นการสั่งอะไรนี้ก็ไม่ควรควรจะพูดด้วยวาจาที่สุภาพเรียบร้อยดังได้แต่ต้องสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมให้ความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่เสมอคําถามจะพูดรับฟังนะคุณค่ะภพภูมิเปรตนรกอสุรกายคือภพภูมิหลังความตายใช่ไหมเจ้าคะคือเป็นเหมือนความรู้สึกไม่มีรูปใช่ไหมเจ้าคะ คือมันเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยเพะใจมันเป็นไปแล้วเยนทำบาปก็เป็น<ม>เป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นอสุรกายไปแล้วเองแต่ยังมีร่างกายอยู่เท่านั้นเองการค้าขายทากิจการร้านอาหารคาเฟ่หากขายเบียร์วายสุราถือว่าบาปผิดศีลไหมเจ้าคะไม่บาปแต่เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำไม่ควรส่งเสริมไม่ควรเขาเดื่มสุรายามเมา พอเมื่อเกิดอาการเมินเมาแล้วก็จะไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้การที่มีคนในครอบครัวท็อกซิกเช่นเป็นเป็นคนคิดลบอิจฉาริษยาไม่มีน้ำใจเราควรวางใจในการอยู่ร่วมกันอย่างไรหรือสามารถนำวิธีอุเบกขามาใช้ได้ไหมเจ้าคะเราต้องใช้อุเบกขานะเพราะว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนคนต่างๆให้เป็นเหมือนกันหมดได้ให้เป็นคนดีได้หมด บางคนก็ดีบ้างไม่ดีบ้างไ ม, ไม่มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของเขาเป็นบุญกับเป็นบาปของเขาที่เขาทามาเมื่อเราต้องอยู่กับเขาเราก็พยายามวางใจเฉยๆไปคําถามจากคุณบุตรสบาค่ะอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเกิดกรรมตันหาภาวะตันหาวิภั่วาตันหาเจ้าค่ะความหลงไง หลงคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วจะให้เรามีความสุขก็เลยเกิดความอยากขึ้นมาหลงคิดว่ารูปเสียงกิ่นตอนี้เวลาเราได้เสพแล้วมันจะมีความสุขเหมือนคนที่หลงไปเสพยาเสพติดเนี่ยคนที่ทําไมเขาถึงไปเสพยาเสพติดเพราะเขาหลงคิดว่ามียาเสพติดแล้วจะทําให้เขามีความสุขแต่เขามองไม่เห็นาภาพรวมว่านอกจากความสุขได้จากการเสพยาแล้ว มันก็มีความทุกข์ตามมาเพราะมันเกิดการติดขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดการติดแล้วเวลาไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะคนที่มีอาชีพเป็นคนเปิดไพ่ในคาสิโนแบบนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเจ้าคะก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำนะเพราะมันเป็นส่งเสริมการเล่นการพนัน แล้วคนที่เป็นการพนันแบบติดนี่จะต้องเกิดความเสียหายหเดือดร้อนตามมาต่อไปเขาะจะต้องสิ้นเนื้อประดาตัวคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าอันนี้สงของการทำบุญทำทานจะไปให้ผลแก่เราในชาติหน้าไม่ได้ให้ผลแก่เราได้ในชาติปัจจุบันนี้จริงหรือไม่เจ้าคะ่ะไม่จริงหรอกบางส่วนก็ต้องรอชาติหน้าบางส่วนก็เกิดขึ้นทันที เช่นความสุขใจนี้เกิดขึ้นทันทีเวลาเราทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอันนี้ก็คือผลผลที่เกิดจากการทําบุญทําทางของเราส่วนอา น, นิสงส์อย่างอื่นเช่นจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้อาจจะต้งองรอพบหน้าอาติหนะาไปเกิดบนกองเงินกองทองไปเกิดเป็นลูกของผู้มีเงินมีทองเป็นต้นคําถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติค่ะ เวลานั่งเฉยๆจะมีภาพอดีตโผล่ขึ้นมาจิตจะปรุงอารมณ์ภาพนั้นปล่อยไปสักพักจะมีภาพอื่นขึ้นมาอีกจึงพิจารณาทำว่าจิตเราไปยึดมั่นอุปทานขันจากนั้นจิตก็ปล่อยทั้งภาพและอารมณ์ดับไปเองทำถูกต้องไหมครับก็อย่าไปติดมันอย่าไปทุกข์กับมันก็นแล้วกันให้รู้แล้วปล่อยวางสักแต่ว่ารู้ คำถามยังยังไม่มีคาถามค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมเวอร์สวี Does he want to ask any okay. <S um, ahn, a s a y question ท่านอาจารย์ in the noble eighth f o u once we learn the uh, the first Um, noble Eightfold Path, like the second noble path, is it we try to develop faith, strengthen our faith, then we practice right renunciation. Well, you have to first believe in the teaching first before you can follow the teaching. If I tell you to go this direction and you don't believe me, then you won't follow my instruction. But you believe me, you believe me, I'm telling the truth. And when I say go in this direction, you'll find your, your home, for instance. And you believe me. You have to have faith in me first. Then you then can follow my instruction. If you don't trust me, you don't believe me. Then you say <laughs> I don't want to try, right? Oh, okay. So so believing, like developing faith, is the second. I believe that the Buddha. Yeah. t tell, telling us the truth. a yeah. we, what we're looking for, the Buddha know, and he can tell you how to get it. He want freedom from suffering. We don't want have any suffering. Yes. And the only person in this world who know is the Buddha. Do you believe in that or not? Yes. Okay. Then you follow his teaching. Yes. Okay. And that is the noble second, noble no, right w Faith has nothing to do with the noble truth. Faith is believing in someone. Okay. Yes. You believe that this person is telling the truth. y e s The Buddha is telling the truth. That he said that the four noble truths, the truth he had discovered. Okay. Yes. Okay. Yeah. And he you know what causes our suffering? It's our, our desire, mm -hmm. our c r a v i n g And if we want to get rid of our suffering, we have to stop our desire, our craving, by the practice of the noble eightfold path. Yes. That's. That's the noble eightfold. That's, okay. uh, that's a that's no, a noble truth. The four noble truths. Okay, okay. So once we have the right view, then we go to right resolve. Right resolve is it? Right, right thought. You have to think. From now on, I'm g o n n o follow what the Buddha tells me to do. The Buddha said dana. Okay, I'll do dana. Okay. The Buddha said do kriya. I do kriya. The Buddha said meditate. I meditate. That's uh -huh. right thought. That's the, Okay. And it, and then you go and do the practice. You keep the precept. You keep dana. You p a m a n a You meditate. That fulfill the eight f o r d p a t h Ah, yeah. uh, okay, okay, right thought. Yeah, my my conclusion is right thought. Okay. Okay. <laughs> okay. Right thought leads to right action, right speech. Yes. Right practice. Yeah. Okay. Then, right effort. Right effort, right practice, yeah, okay. Meditation, right mindfulness, right mindfulness, right samadhi. Mm. Then once you have this, then you can use right, right view to get r i d about your suffering. Yes. Oh. Thank you, d a j Understand? Yes. Okay. Clear now? Yes. Okay. Thank you. Clear. Any, any more questions? Uh, I'm not sure about Jack. <laughs> Did you use Google Translate today? Uh, yes. Okay. Yes, that's why. Um, yeah, you talk about the Noble Eightfold Path, so. Yes. Did you understand the t a l mostly? Most of the talk. Uh, yes. Yes. Okay. Yeah, you talk Is about the. Plain, uh, huh? yeah, yeah, the sutas, and in the Mangala Sutra, um, you talk about like Buddha wants to be with uh, the Who, right person, yeah, right not person. with the wrong person. How not to be with the wrong person? w well, person who who practice wrongly, like drinking, gambling, and you know no. who, those who are involved in vices, you don't want to okay. know them because they will they will pull you with them. If oh. they like to drink, they'll a they'll they'll, they'll they'll ask you to go drink with them. Oh, okay. If they like to gamble, they'll ask you to go gamble with them. So, so no. these are a wrong action lead to. Mm. To suffering sooner or later. So you want to, you want to know people who will lead you to the cessation of suffering. Like know, meet the know the Buddha and his disciple, or mm -hmm. the or the Ajalia or the noble disciples. That's why you come to this temple. You're looking for the right person to, yes. to get to know with. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> yes. Okay. Thank you, t a j a Alright, there's a, someone oh. behind you who wants to ask more question. ครับครับธรรมศักดิ์ครับผมครับในการแปลหนังสือของท่านมันมีคว่าอุวงจรมันแปลเป็นากนีคือ vicious cycle loop ซัมซาราครับอย่าวงจรอุบัตใช่ไหมวงจรอุบัตครับจยังไงครับ vicious circle vicious circle ไม่ใช่ cycle ใช่ same thing circle okay. cycle t i s is the same thing leads to continuous birth aging sickness and death ครับ นี่เองครับโอเคแล้วโซลูกไม่เข้าใจบางครั้งเดะจิตคิดสิ่งที่เป็นอกุศลเจ้าค่ะบางครั้งก็รู้สึกว่าหยาบคายในสิ่งที่ลูกก็ไม่ได้คิดว่าลูกจะคิดเช่นนั้นเหตุใดจิตจึงเป็นเช่นนั้นเจ้าค่ะเพราะจิตเราไม่ดีเลยมันก็คิดเช่นนั้นเลยเราเคย เราเคยปลูกฝังให้มันเป็นจิตที่ไม่ดีมันก็เลยยังคิดเรื่องไม่ดีอยู่แล้วก็มาแก้ได้พอมันคิดไม่ดีแล้วก็ใช้พูดโธหยุดมันพูดโธพูดโธไปแล้วก็สอนว่าต่อไปนี้อย่าคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ไม่ดีนำไปสู่ความเสียหายตามมาต่อไปะเปลี่ยนได้ความคิดไม่ดีต่อไปแล้วมันก็หายไปถ้าเราไม่ส่งเสริมมันแล้วเราคอยสกัดมันคอยหยุดมันต่อไปมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเจ้าค่ะ คนเรามีทั้งดีมีทั้งเชื่อสลับกันไปในชีวิตของเราแต่ละภพแต่ละชาตินี้เรามีการการทำความดีมีทั้งการทําความชั่วแล้วมันก็ฝังอยู่ในใจเราแล้วมันก็ผุดโผล่ผขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยถ้าเรามีสติเรารู้ทันเราก็อย่าไปทําตามมันถ้ามันให่เราคิดไปทําร้ายคนนั้นทนํานี้เราก็อย่าไปทำํำเราบอกไม่ดีเป็นการทําไม่ดีย้อนกลับมาถ้าเขาคิดอย่างนี้กับเราเราจะรู้สึกอย่างไรบ้าง เอาไปเราก็จะหยุดคิดในทางที่ไม่ดีได้เราก็จะคิดแต่ทางที่ดีอืมก็คือการการมีสติเรื่อยๆจะทําให้หายไปะเจค่ก็ก็หยุดมันไงไม่ไม่ไม่ไม่คิดตามมันถ้าไม่มีสติพอคิดอยากจะด่าใครก็คิดไปเรื่อยเลยด่ามันไปเลยอย่างเงี้ยแต่พอมีสติเฮ้ยไม่ดีนะอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราก็หยุดคิดได้เจ้าค่ะกลับขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถาจากทางเฟซบุ๊กค่ะต้องมีจิตรวมเท่านั้นถึงจะบรรลุพระโสดาบันได้หรือคะหรือการที่เรามีสัมมาทิฏฐิและศรัทธาที่มั่นคงก็จะเป็นพระโสดาบันได้คะก็ลองดูสิเราไม่ว่าพิสูจน์ดูเอาเองคําสอนนี้เป็นสิ่งที่ให้เราต้องไปปฏิบัติ ด, ดูไม่มีสมาธิแล้วมีปัญญาเราจะละได้ไหมตอนนี้เราก็มีปัญญาเราไม่ได้แต่ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่เที่ยงเป็นของเกิดแก่เจ็บตาย แล้วเราไปทุกข์กับมันทำไมถ้ามันไม่ใช่ตัวเราของเราทุกข์เพราะเรายังหยุดความอยากไม่ได้ยังไปหยุดความคิดว่ามันยังเป็นตัวเราของเราไม่ได้อยู่คำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะเราสามารถบรรลุพระโสดบาบันได้โดยไม่ต้องบวชได้หรือไม่คะได้ถ้ามีมรรคแปถ้ามีศีลสมาธิปัญญาครอบบริเวณมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนักบวชหรือไม่บวชนักบวชที่ไม่เป็นมีต้องเยอะแยะไป คารวะที่เป็นสาวุดาบันก็มีน้องงยแยะไปแต่ที่เขาเป็นกันเพราะไม่ใช่เป็นคารวะหรือเป็นนักบวชเขาเป็นเพราะเขามีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะเวลาทำสมาธิแล้วติดเพ่งที่หน้าผากรบกวนท่านอาจารย์ช่วยแนะแนวทางในการแก้จุดติดเจ้าค่ะไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าใช้พุโทโธ ถ้าดูลมมันก็ใช้ใช้ลมไปอย่าไปสนใจกับอาการต่าง ๆ, ๆที่เกิดขึ้นมามันเป็นเรื่องของกิเลส ท, ที่มันจะคอยต้านทานเราคอยขัดขวางการปฏิบัติของเราแต่ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับมันเดียวมันก็หายไปเองคําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะเรื่องอุเบกขาการทําใจเป็นกลางให้วางเฉยได้จะต้องฝึกอย่างไรคะฝึกสติทั้งวันไงล่มตาขึ้นมาก็พูดโธพูดโธไป หยุดพุโทโธก็ตอนนอนท่านเองถ้ามีพุโทโธต่อเนื่องทั้งวันเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบนิ่งเฉยเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้คำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะกรรมฐานมีสี่สิบกองเราจะสามารถดูได้อย่างไรว่าเราเหมาะกับกรรมฐานกองใดบ้างก็บ้างก็ให้ดูลมหายใจบ้างก็ภาวนาพุโทโธเราควรเลือกจากที่เราทาแล้วสบายใจหรือเลือกจากความศรัทธาคะ เ ล, เลือกจากอันที่ได้ผลอันไหนได้ผลทำให้จิตสงบก็ใช้อันนั้นไปอย่าเอาความสบายใจถ้าสบายใจแล้วไม่สงบก็ไม่ไม่เป็นประโยชน์บางทีมันต้องไม่สบายใจแต่ทำให้เกิดผลคือเกิดความสงบขึ้นมาเราก็ต้องเอาแบบนั้นคำถามจากทาง y u t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะทาไมจิตจึงชอบไหลไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคะไม่มีสติไงไม่มีสติ คำถามจากทาง y youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะจะจัดการยังไงกับความโกรธหรือความโลภที่เกิดขึ้นต่อหน้าครับเห็นเกิดบ่อยมากก็ใช้พุทโธหยุดมันพอโกรธก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวสักพักก็หายโกรธคำถามจากคุณจิรารัตน์ค่ะทานศีลภาวนาเชื่อมโยงกับมัสมีองแปลอย่างไรเจ้าคะคก็มั็มีศีลไงแล้วก็มีภาวนา มักคแปก็มีภาวนาก็คือสัมมาสัมมาสติสมาสมาธิสมาทิตฐินี่ก็เป็นการภาวนาเหมือนกันเพียงแต่พูดในอกรูปรลักษณะหนึ่งแต่ก็เป็นมรรคปดเหมือนกันของถ้ามีทานมนาะ <c oughs> เพิ่มก็เพราะว่ า, า, วาคาะวายังมีเงินอยู่ยังใช้เงินในทางที่ผิดอยู่เลยต้องสอนให้ใช้เงินในทางที่ถูกก็คือเอาไปทําบุญทําทานให้หมด อย่าไปกินมาไปเดินมาไปเที่ยวกันเพราะนี่เป็นการสร้างกิเลสสร้างตันถาให้มีเพิ่มมากขึ้น <c oughs> คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเวลาผ่าฟันคุดจิตจะรู้สึกกลัวมากพอภาวนาดูลมหายใจยิ่งทำให้รู้สึกชัดเจนพอภาวนาพุโทโธจิตก็ไปเจาตรงฟันตรงหน้าใกล้สมองที่กำลังคิดภาวนาควรจะทำอย่างไรดีคะให้อยู่กับพุโทโธอย่าไปอยู่ที่อื่นให้อยู่กับคำบรฏิกรรมพุโทโธหมดแล้วยัง ยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะไม่มีก้าวท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจำนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเาิุ